บรรดากับทั้งสองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักพัดย่อมไม่อุบัติในสุญย์กับเพราะฉะนั้นกับนั้นจึงเรียกว่าสุญย์กับกับที่ว่างเปล่าจากผู้มีคุณอันนี้โดยหลักการทั่วๆไปนะแต่ว่ากับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าไม่มีพระปเจกมีนะเช่นในอุบาลีอัปทานเนี่ยกล่าวไว้ว่าเมื่อสะเมื่อ30กว่ากับก่อนเนี่ยนะพระอุบาลีเนี่ยไปดูหมิ่นพระปเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งกับนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสนยกับแปลว่ากับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าส่วนอสญญกับมีอยู่ห้าคือสารกับมันกับวรกับสารมันกับแล้วก็พัทกับอสญญกับกับที่ไม่ว่างจากพระพุทธเจ้าคือกับที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นกับที่ประกอบด้วยสาระคือคุณเรียกว่าสารกับกับที่มีสาระทำไมจึงมีสาระ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 กับที่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยนะอย่างเช่นเมื่ออสงไขยที่สองอนะอสงไขที่หนึ่งพระพุทุมุตระเพระทีปังกรใช่เป็นต้นอสงไขยที่2มีพระโกนทัญยพระองค์เดียวอ่นะอสงไขยที่2นั่นแหละเรียกว่าสารกับไอตรงช่วงที่กับที่พระโกนทัญยพะพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือบางกับเนี่ยนะเช่นบางกับเมื่อ9กกับถอยหลังจากนี้ไป พระวิปัสสีพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นหรือเมื่อเกสบกัปถอยหลังจากนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวคือพระสิท ธ, ธ, ธะเกิดขึ้นส่วนในกัปใดเกิดพระพุทธเจ้าสององค์ขึ้นกัปนั้นเรียกว่ามันดกัปกัปที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์อย่างเช่นเมื่อสามหมื่นกัปที่แล้วถอยหลังจากวันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าสุเมศและสุชาตเกิดขึ้น หรือว่าเมื่อเก้บกับก็มีพระติดสะกับพระปุตตะเกิดขึ้นหรือเมื่อประมาณ32กับก่อนก็มีพระสิขีกับพระเวสภูเกิดขึ้นมันกับใดที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์กับนั้นเรียกว่ามนดกับมันดะนี่ถ้าแปลไม่ผิดก็หมายถึงว่ากับที่ตกแต่งนะนีมนดมนดกับเนี่ยกับที่ประดับตกแต่งเป็นอย่างดีเลยมีทั้งสององค์ส่วนในกับใด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 กับประเสริฐปรารถนาอย่างไรก็สมปรารถนานะปรารถนาโอ้ยองนี้พลาดจากองค์นี้ขอพบองค์หน้านะแปลว่าสมปรารถนาจริงๆของเรามีทั้งห้าองดูว่าเนี่ยผ่านมาสีแล้วเนี่ยนะองข้างหน้าจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะสมพรหรือเปล่าวาระเนี่แปลว่าเหมือนกับพร น, นะนะแปลว่ากับที่สมพรเหมือแบบนกันแปบลบว่าสมความปรารถนากลับที่มีพระพุทธเจ้าสามองเนี่ยนะเช่นว่ากลับที่พระพุทธเจ้าเช่น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 ชื่อว่ามังคลสุมาณเรวตะและพระพุทธเจ้าโสพิตะเกิดขึ้นในโลกมันกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์ในแหมมีสาระมากส่วนกับใดที่เกิดพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เรียกว่าพัทธกับพัทธกับนี้หาได้ยากอย่างยิ่งหาเธอเนี่ยนะสอสงไขยแสนกับเพิ่งมีกับนี้แหละเป็นพัทกับเนี่ยนะกับเจริญ กลับเนี่ยเจริญจริงๆหลายคนก็ได้บุญมากไม่น้อยก็ได้บาปไปไม่ใช่น้อยเนยนะแต่อันนี้เขาไม่เอาคนบาปเป็นประมาณอย่างแรกคนบาปเมื่อไหร่มันก็ทําบาปไปเชื่ออย่างที่พระพุทธเจ้าไม่สนใจพระนางมาคันธิยาเนี่ยนะเขาบอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าพูดกระทบอย่างนั้นนางจะตกนรกไม่ใช่หรือบอกพระองค์ไม่พูดนางก็ตกเนี่ยนะแต่พระองค์พูดอย่างนั้นแล้วมีพ่อแม่บรรลุ ก, ก็ยังดีกว่าตกฟรีอย่างนั้นนะ ก็มีผู้พอบรรลุได้บ้างเหมนกะันมันก็ถือเอาผู้ที่พอบรรลุได้เป็นประมาณส่วนผู้ที่จะบายหน้าไปอาเวจีอยู่แล้วจะไปว่าอะไรเขาเนีย่ยนะมันก็ถือเอาไปผู้ที่พอจะมีสาระได้เป็นประมาณเนี่ยนะผลกลับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น5องค์เนี่ยหายากอย่างยิ่งกลับนั้นโดยมากสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มากไปด้วยกัลยาณสุขได้รับแต่ความสุขที่ดีงามเนี่ยนะได้รับความสุขที่ดี ตเหตุกะสัตว์สัตว์ตที่ปฏิสนธิด้วยเหตุสามคืออโลพะอโทสอโมหเหตุย่อมทํากิเลสให้สิ้นก็เลยสามารถที่จะบรรลุอรหันต์ได้สามารถที่บรรลุมรรคผลได้ขอให้ปฏิสนธิด้วยติเหตเถอะนะขอให้มีปัญญาเถอะส่วนผู้ที่ปฏิสนธิด้วยทุเหตุกะปราศจากปัญญาก็ถึงสุคติโลกสวรรค์ได้ ส่วนอาเหตุตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะเกิดมาโง่จริงๆก็ฟังธรรมก็พอจะมีปัญญาได้บ้างนะอาเหตุตุกะตอนหลังก็ได้เหตุขึ้นตอนตอนแรกไม่มีเหตุอะไรก็เข้าเลยตอนหลังก็ได้เหตุมากขึ้นก็มีโยมอยู่คนหนึ่งลูกเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเกิดครบไม่ครบ10เดือนอไม่ครบ10เดือนเนี่ยนะเจเดือนก็คลอดเป็นเร็วไปหน่อยเจเดือนก็คลอดแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดเนะ่ยะอะว่าไปว่ามาตอนนี้สวดมนต์ได้แล้ว่ะ นะสวดมนต์ได้แล้วอบอกว่านี่สวดธรรมจักให้ได้นะถ้าแม่ไม่สบายแม่อายุมากๆแล้วลูกจะไปสวดธรรมจักให้ฟังเลยนะตอนนี้อ่อมาไปไหว้เจดีย์นี่แค่เขาไปอ่านนะไปอ่านสวดมนต์ด้วยอะไรด้วยนะแม่เขาบอกเกินคาดเกินฝันเขาเงินไม่น่าเชื่อลูกชายสวดมนต์ได้แล้วตอนนี้เหมือนนสวดดังด้วยเนี่ยนะปกติแล้วก็ อ, อ, อ่านหนังสือไม่ค่อยออกกันนะอย่างว่าคนที่ไม่ครบทศไม่ครบทศชาตินะี่ยากเหมือนนะ แต่ก็ถือว่าเกิดในกลับที่มีคําสอนเนี่ยนะก็พอได้ดิบได้ดีกับเขาบ้างจะเกิดในระดับไหนก็ช่างแต่อขอให้ไม่ได้รับสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีๆเนี่ยนะก็พอที่จะมีเหตุมีบุญมีวาสนาได้นะนบรรดาบใดที่เป็นกลับที่เป็นที่ตั้งแห่งบุญกุศลมากขนาดนี้กลับนั้นเรียกว่าพัฒกับด้วยเหตุนั้นพระบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าอสุญญากับมีอยู่ห้าอย่าง อสุญย์กับห้าอย่างคืออะไรกับที่มีพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์กับที่มีพระพุทธเจ้าสององค์กับที่มีพระพุทธเจ้าสมองค์กับที่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์และกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์เนี่ย น, นะเป็นกับที่ไม่ว่างเปล่าจากพระรัตน a t r ดังที่โบราณอาจารย์กล่าวเป็นคาถาว่าเอโกพุทโธสารกับเปมันดะกับเปชินาดูเววรกับเปตโยพุทธาสารมันเดจตุโรพุทธา ปัญจพุทธะพัทธกับเปตะโตนัาธิกาชิ น, Car, studios, ใ aw, ในา ar, au, ในสารกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหนึ่งองค์ในมันดกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์ในวรกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์ในสารมันดกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่พระองค์ในพัทธกับมี <i sig une traditions> พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์พระพุกับที่มีพระพุทธเจ้ามากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีมีแค่นี้แหละ เพราะฉะนั้นกล่าวว่าพระปทุมุตระทศพลอุบัติเกิดขึ้นแม้ในสารกับท่านก็เรียกว่ามันดกับจริงๆแล้วพระองค์เกิดในสารกับนะสารกับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวแต่ที่เรียกว่ามันดกับเพราะเป็นเช่นเดียวกับมนดกับด้วยคุณสมบัติอย่างนั้นน่ยคือจริงๆแล้วพระองค์เกิดขึ้นองค์เดียวแต่พูดเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์ ทำไมอ่ะเพราะได้รับสมบัติคล้ายๆกับมีพระพุทธเจ้าเกิดสององค์ก็เลยใช้คำว่ามันดกับก็พระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระผู้เป็นยอดของบุรุษทรงยับยั้งอยู่ณนะโพธิบัลลังก์เจ็ดวันนะพอวันที่เจ็ดก็ย่างพระบาทขึ้นข้างขวาด้วยไมย้พระหฤทยัยว่าจะวางลงที่แผ่นดินนะนะพอตรัสรู้ใช่ ป, รปรตรัสรูแล้วก็ประทับนั่งสวยวิมุติศกเนะี่ยนะสวย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 ส่วนพระศาสดาสูง58ศอกระหว่างพระพาหาทั้งสองข้างของพระองค์นั้น18ศอกพรนราด5ศอกพระหัตและพระบาท11ศอก บ, บอกว่าโอ้ใหญ่อย่างนี้จะดูงามหรือถ้าใครเคยเห็นพระพุทธรูปที่ปั้นสมส่วนเนี่ยนะถึงจะองค์ใหญ่ก็งามนะพุทธรูปที่เแถาภาคต่างๆนะครัใครไปเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ถ้าทําได้ขนาดสมส่วนเนี่ยงามถึงจะองค์ใหญ่ก็งาม พอพระองค์เหยียบนะเหยียบช่อสิบสองดอกเหยียบช่อเนี่ยนะสบสองศอกด้วยพระบาท11อศอกเรนูขนาดหม้อใหม่ก็ฟุ้งขึ้นกลบสรีระห้าสบดศอกแล้วก็กลับท่วมทับทำให้เป็นเหมือนฝุ่นมโนศิลาปนเป็นจุนองไม่มีใครแพ้เกศร น, น, นะแต่นี่หมายถึงเกสรที่หอมเกอรที่ไม่มีโทษเหยียบแล้วก็ฟุ้งขึ้นได้รับฟุ้งขึ้นได้รับกลิ่นหอมเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระคัาานธรัตนอาจารย์ผู้เรียบเรียงสังยุติเนกายกล่าวว่าพระาศาสดาที่เหยียบแต่บนดอกบัวเนี่ยนะพระองค์ก็เลยมีพระนามนามว่าพระปทุมุตระเหตุที่ชื่อว่าปทุมุตระเพราะว่าเหยียบแต่บนดอกบัวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมมุตระผู้ยอดเยี่ยมเหนือโลกทั้งปวงทรงรับอาราธนาของข้าวมหาพรหม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 นั้นการที่พระองค์จะแสดงธรรมก็เหมือนกัรเนี่ยไม่ใช่พอรู้ธรรมมกก็พูดไปเรื่อยไม่ใช่พปัญก็แสดงแต่ละครั้งต้องมีผลเลยนะอย่างน้อยก็มีสาระมีศีล น, น, นะบรรลุมรคผลเป็นต้นนั้นพระองค์ก็เล็งเอากลุ่มที่พอบรรลุมรคผลได้เป็นเป้าหมายหลักเนี่ยนะพอรู้เล็งเห็นถึงผู้ที่มีอุปนิสยัยพอจะบรรลุได้ทันใดพระองค์ก็เสด็จไปทางอากาศลงที่พระราชวิทยานกรุงมิถิลา ใช้ให้พนักงานเฝ้าพระราจุทยานให้ไปรเรียกราชกุมารทั้งสองพระองค์มาแล้วทั้งสองพระองค์นั้นก็ดำเเร ว, ว่ารพระประทุมุตระกุมารโอรสของพระเจ้าอาของเราสรงพรนวดสรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จถึงนครของเราจําเราจักเข้าไปเฝ้าพระองค์พร้อมด้วยบริวารพระพุทธเจ้ามาแล้วพระพุทธเจ้ามาโปรดแล้วเนี่ยนะก็รีบไปรับเสด็จกัน เสรแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระนั่งเวดล้อมครั้งนั้นพระทศพลอันพระราชกุมารและบริวารเหล่านั้นเวดล้อมแล้วทรงรุ่งโรดดุด จ, จันทร์เพนอันหมูดาวเวทล้อมประกาศพระธรรมจากณที่นั้นครั้งนั้นธรรมมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแกสัตว์ประมาณแสนโกดธรรมมาพิสมัยก็คือการตรัสรู้อริยสัจธรรมตรัสรู้ด้วยปริญญาพิสมัยปหานาพิสมัย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 อันนี้อมาตะนิพานที่ลึกซึ้งพระองค์ตรัสจบปั๊บเขาเห็นเลยอ่ะอ น, นะคุณธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญเนี่ยนะพระองค์แสดงจบเขาเจริญได้อย่างที่พระองค์ประสงค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีบุญนั้นเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะภาษาพระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษารีบุตรในประชุมญาติสมาคมว่าครั้งที่หนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฐมมุตระธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แสนโกร สมัยต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมหาชนให้ร้อนขออภัยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมหาชนผู้เร่าร้อนเนี่ยนะด้วยความเร่าร้อนในนรกพระองค์ก็แสดงทำในสมาคมของสารธาดาบทอย่างมูสัตว์นับได้สามล้านเจ็ดแสนให้ดื่มอมตะธรรมแม้มหาชนที่กําลังเร่าร้อนอยู่ในกําลังเร่าร้อนด้วย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 คั้งนั้นพระเจ้าอานันทามหาราชปรากฏพระองค์ในกรุงมุทิลาไปในสำนักของพระปทุมมุตระสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยบุรุษสองห0ื่นและอมาตยี่สคนพระผู้มีพระภาคเจ้าปทุมุตระทรงให้ชนเหล่านั้นบวช ด, ด้วยเบเอหิภ e ิคุบันประชาทุกคนอันชนเหล่านั้นแวทล้อมแล้วเสด็จไปทําการสงเคราะห์พระชนกคือพระพุทธบิดาเนี่ยนะประทับณกรุงหังสาวดีราชธานี แสดงว่าทรงอมตะไปกี่ครั้งเนี่ยถ้าส่งอมตะทีลพันทีลพันก็ส่งไป20ครั้งนะพระพุทธเจ้าจึงเสด็จมานนะทีนั้นพระองค์ก็เสด็จจงกรมณนะรัตรนะ์จงกรมณนะท้องนภะากาศตรัสพุทธวง์เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราตรัสพุทธวงในกรงกรบิลพั์ครั้งนั้นทำมาพิสมัยครั้งที่3ได้มีแก่สัตว์5ล้านด้วยเหตุนั้นพระมหาเอานะพระองค์จึงตรัสว่าพระมหาวีระ พระพุทธเจ้าผู้แกล้งกล้าเข้าไปโปรดพระเจ้าอานันทะเสด็จเข้าไปใกล้พระชนกทรงลั่นกรองอมตะเพรีเมื่อทรงลั่นอมตะเพรีแล้วทรงหลังฝนคือทาอภิสมัยครั้งที่สมก็ได้มีแก่สัตว์ห้าล้านพระพุทธเจ้าอานันทะพระองค์นี้เนี่ยนะผู้เป็นพระพุทธบิดาเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าไปโปรดที่เมืองเมืองของพระองค์นเนี่ยนะกรงหางสาวดีเนี่ย พระ อ, องค์หวงแหนมากไม่ยอมให้ประชาชนได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาที่ที่เลื่อมใสยอยากจะทําบุญกับพระพุทธเจ้าจนกว่าชีวิตจะหาไม่น น, นเพราะอะไรเพราะอัครส า, าวกก็ลูกเราพระพุทธเจ้าก็ลูกเราพวกอัทหารที่มาบวชนี่ก็ลูกพวกพระภิกษุอาทหารก็ทหารของเราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ต้องทําบุญหรอกพระ อ, องค์ก็เลยสร้างก็สร้างวัดเองสร้างวัดเองสร้างกําแพงใหญ่มากไม่ต้องใครไม่มีโอกาสได้เข้าไปหรอก